พุทธศาสนานี่ก็เพื่อหวังจะเอาพุทธศาสนานี่เป็นที่พึ่งทางใจใจนี้ถ้าไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐแล้วมันวอกแวกมันดินรนมันไม่มีอำนาจที่จะต้านทานต่อกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นได้ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นทาที่พึ่งให้มีแก่จิตใจให้พึ่งความดีพู้ ง, ง่ายง่ายความดีนี่มันมีความหมายกว้างขวางมากสิ่งใดที่เมื่อทำลงไปแล้วมันนำมาซึ่งความสุข จิตสุขใจความสงบใจได้นั่นแหละชื่อว่าความดีทั้งนั้นเลยสิ่งใดถ้าทํำลงไปแล้วมันทําให้ใจเศร้ามองขุนมัวเดือดร้อนนั่นน่ะชื่อว่าทําไม่ดีนี่ว่าเป็นส่วนรวมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรา คำว่าทำความดีนี่เราเอาจิตนี่เป็นเครื่องวัดเลยอ่ะเป็นเครื่องตัดสินเลยว่าเราทำความดีจริงเหรือออย่างนี้แหละเช่นอย่างเรามีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนาอยู่อย่างเนี้ยเมื่อเรานั่งภาวนาอยู่เนี้ยเราทาใจให้สงบได้ ไหมถ้าเราทำใจให้สงบได้อยู่แต่ไม่นานอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราทำความดีกำลังทำความดีอยู่แต่ว่ายังไม่ดีแท้แต่ถ้าวันนั่งภาวนาอยู่แล้วใจไม่สงบเลยมีแต่ฟุ้งไปข้างนอกน่น ไม่มีการสะกดไม่มีการห้ามด้วยสติอย่างนี้นะก็จะชื่อว่าทำไม่ดีการกระทำนั้นไม่ดีกิริยาที่ทำอย่างว่าเรานั่งอยู่นี่คล้ายๆกับว่ามันสงบอยู่เพราะว่ากายก็นิ่งๆอยู่นี่แต่ว่าใจนู้นมันไม่ยอมสงบมันก็ชื่อว่ายังไม่ดี การที่เราถือเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจนั้นไม่ใช่ว่าเราจะอ้อนวอนเพียงแต่แค่อ้อนวอนขอให้คุณพระพุทธธรรมประสงค์จงมาตั้งอยู่ในใจข้าพเจ้าขอให้ใจข้าพเจ้าสงบอธิษฐานเท่านี้แล้วก็ไม่สะกดจิตตัวเองให้อยู่ปล่อยให้มันไหลไปตาม กิเลสที่มันเคยไหลไปเช่นนั้นนะอย่างนั้นนี่คุณพระตนากลาก็ช่วยไม่ได้ให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเราเราจะอยู่สบายสบายแล้วให้คุณพระนั้นมาช่วยชําระกิเลสบาปธรรมออกให้ให้มันหมดไปเลยโดยไม่ต้องลงทุนลงแรง ไม่ต้องกลากกรรมลำบากอะไรเลยอย่างนี้มันก็เป็นไปได้อย่างนี้ไม่ใช่นั่นเช่นนั้นไม่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้แล้วขอให้เข้าใจการที่คุณพระจะช่วยได้ก็เมื่อเราก็ต้องช่วยตัวเองเข้าไปนั่นแหละทำอย่างไรอะใจจะสงบลงทำอย่างไรกิเลสในหัวใจเนี่ยมันจะเบาบางลงไป เราก็ทำลงไปนะทมก็หมายถึงว่าเราน้อมจิตลงสู่ความสงบนั่นแหละไม่น้อมไปเพื่อคิดเพื่อไปผูกพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตนี้นะสุดแล้วแต่เราจะน้อมไปทางไหนนะต้องให้เข้าใจสุดแล้วแต่ตัวเองจะน้อมไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นนะ ถ้าเราไม่น้อมไปมันก็ไม่ไปอ่ะแต่ว่ามันทนไม่ไหวถูกกิเลสมันพาน้อมไปก็มีนั่นแหละไม่อยากไปมันก็ไปถ้าถ้ากำลังความดีของตัวมันน้อยมันสู้อํานาจกิเลสไม่ไหวไม่อยากคิดไปมันก็คิดอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการที่ เราจะมีกำลังใจเข้มแข็งได้ก็เพราะตัวเองนั่นแหละอดกั้นทนทานเอาหัวทีแรกเนี่ยมันก็ต้องอดต่ออำนาจของกิเลส ท, ที่มันชวนให้คิดไปโน่นไปนี่อะอดไม่คิดอย่างนี้นะเอากันใกล้นี่แหละไม่ต้องอะไรกันมากมหมอะอด ถ้าอย่างเดียวแล้วนะมันเอาชนะไปได้หมดเลยแต่คนส่วนมากมันไม่อดนี่มันไม่สร้างขันติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วมันจะไปสงบได้อย่างไรอาวันนี้ น, นั่นเองก็บารมีธรรมที่พระพุทธเจ้าสร้างมาหมู่นั้นก็เพื่อเป็นกําลังใจของพระองค์นั่นเลงให้ใจพระองค์เข้มแข็งเปิด เอาชนะกิเลสตัาบาปประธรรมนั่นแม้เราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามันก็ต้องได้สร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยต่างแต่ว่าอยู่ในวงแคบกับวงกว้างกว่ากันเท่านั้นเนี่ยสำหรับพระพุทธเจ้านั่นพระองค์ต้องสร้างบารมีแบบวงกว้างเพราะว่าพระองค์มุ่งที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายให้ อนทุกถึงสุขคือพระนิพพานธ ร, รมเนียมของพระพุทธเจ้ า, าเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สร้างบา ร, รมีมากอย่างนั้นก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้สำหรับผู้ไม่ได้ป่าชนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ไดสร้างกลองขวางประนันแต่ว่าก็จำเป็นต้องสร้างบา ร, รมีสิทธิประการเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่าไปสงสัยเลย <c oughs> เส่นทานการให้อย่างนี้นะ <c oughs> ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆแล้วแหละแต่ต้องพูดอีกกันลืมนะ <c oughs> ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานอย่างหนึ่งให้อภัยทานอย่างหนึ่งนี่เราให้อภัยกันนะในเมื่อเวลา ฝ่ายด้่าหนึ่งเผลอตัวแล้วล่วงเกินตนมากระทบกระทั่งตนถ้าไม่กระทบกระทั่งทางกายก็พูดกระทบทางวาจาเรียกว่าพูดคำหยาบโลนพูดคำเสียบแทงบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างด้วยความไม่พอใจอย่างนี้นะเราพูด บ, เ า, บาเพ็ญทานประเภทนี้แนละ้วเราไม่ถือสาหาความ เรายกโทษให้เลยให้อภาัายไปแล้วไม่ตอบโต้เนี่ยอันนี้นะเป็นฐานะประมัติบารมีทานอย่างยิ่งทานอย่างสูงเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจอย่าไปมุ่งแต่เพว่าจะไปขอนขวายหาแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นมาให้ทานมันต้องมีทานชนิดนี้ประกอบเข้าไปด้วย มันก็จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสตัณหาบาปประธรมได้ถ้าใครไม่ยอมบำเพ็ญธรรมะทาน อ, อ, อภัยทานอย่างที่ว่านี่นะกิเลสตัณหาจากไม่สิ้นไปได้เลยเไม้จะบำเพ็ญบารมีอื่นๆก็ตามนะมันก็ บา ร, รมีเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ไม่สามารถจะละกิเลสได้แต่ถ้าผู้ใดตั้งอธิษฐานในใจลงไปว่าเอาและนับแต่นี้ไปเราจะไม่ผูกกรรมทําเวรกับใครใครมาล่วงเกินตนแล้วเราจะให้อาภัยไปทั้งนั้นแหละเราจะไม่โต้ตอบแก้แค้นเลยอย่างนี้ เพราะว่าการทำเช่นนั้นมันเป็นเวรตอบสนองกันไม่รู้จบรู้สิ้นมันเป็นเครื่องทวงให้คลองอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้นี่มันต้องเตือนตัวเองให้สำนึกได้อย่างนี้คนเรานะผู้ปฏิบัติธรรมอ ะ, อะผู้ปฏิบัติธรรมนี่มันก็ต้องเบื่อหน่ายต่อความไปอยู่ในโลกนี่แหละมันจึงถูกต้อง ก็ดังที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาทุกวันทุกวันว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เราจะต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเราทํากรรมอันใดไว้ดีก็ดีชั่วก็ดีเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไป อันที่พระองค์ทรงเนะนําสั่งสอนในพิญนาทถวันถวันอย่างนี้นั้นก็พิจารณาเพื่อให้เกิดความสังเวชสลดใจและเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตนี่นะอ่นั่นนะการที่ดวงขิดมาอาศัยอยู่ในรูปในนามอันไม่เที่ยงนี้นะมันควรเบื่อหน่ายได้เพราะว่าเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังแล้ว เราจะไม่ให้มันแก่ทารุดทุดโทรมลงไปก็ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะจะบังคับหยีดกันไม่ให้โรคภัยเกิดขึ้นก็ไม่ได้จะต้านทานไม่ให้มันแตกตายทำลายขันก็ไม่ได้นี่ก็อย่างนี้แล้วมันมันจะไม่น่าเบื่อหรอแต่แน่นอนแล้วผู้ใดมีตัณหาย้อมใจอยู่มากแล้วมันไม่เบือ่อ ถึงแก่ลงไปร่างกายสุขโทแล้วก็ยังสําคัญโดดตนเป็นหนุ่มอยู่นั่นแหละเมื่อตัณหามันย้อมใจนะบางคนอายุตั้งแปดสิบกว่าปีแนละ้วยักเสวงหาเมียอยู่อ่เมียเก่าตายแล้ววันนี้เอาไปสแสวงหาเมี ย, ยไหมอยู่รุ่นอืมนั่ น, น, นสแสดงว่าตัณหามันย้อมจิตย้อมใจอย่างรุนแรง จนนึกถึงความแก่ความชราภาพของตนไม่ได้เลยมันน่าทุเร็เพียงไหนอ่ะผู้เช่นนั้นนะเลยไม่ได้ขวนขวายในส้ากการบุญการกุศลไม่ได้สร้างบารมีอันจะนำตนในพ้นจากทุกข์ไปได้เลยมัวตั้งแต่ไปติดไปคล้องอยู่ในสัมผัสอันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหล่านั้น ตามสัมผัสกำรูปสวยๆของงานก็ว่าเป็นเหตุให้เกิดสุขหูได้ยินเสียงไพเราะเพรพิ้งก็ว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขจมูกได้สูดกลิ่นหอมหวนก็ว่าเป็นสุขสบายดีลิ้นได้รับรสอาหารอรอร่อยก็ว่าเป็นสุขสบายดีกายได้สัมผัสสิ่งที่อ่อนนุ่มนิ่ม นุ่มนวลก็ว่าเป็นสุขสบายดีใจได้รับรู้อารมณ์ห้าสี่อย่างนั่นน่ะก็ว่าเป็นสุขสบายดีอันนี้แหละคนเรามันหลงติดความสุขชั่วเล่นอันนี้แหละอยู่มันถึง ได้มาเกิดในโลกนี้แล้วก็มาปรับทุกขกันอยู่อย่างนี้อโอ้ยทำอย่างไรจึงจะมีเงินใช้ทำอย่างไรจึงจะมีบ้านใหญ่ๆโตอยู่ทำอย่างไรถึงจะมีรถดีๆงามๆขี่เขาเขาทำอย่างไรเราจึงจะไม่ แก่ไม่สำรดสุดสมง่ายหาหนทางป้องกันเนี่ยหาเครื่องประดับประดาตกแต่งหาหน้าหมูกน้ามันแป้งอะไรมาโลมอยู่เรื่อยหาเครื่องแต่งตัวสวยๆงามๆ ม, มาสวมเข้าใส่ไว้ให้ปรากฏว่ายังสวยพริ้งอยู่ คนแก่แล้วก็ให้คนอื่นเขามองว่ายังสาวยังนุ่มอยู่อนั่นทางแก่ของผู้หลงผู้เม า, าก็แก้กันไปแบบนั้นแหละแล้วในที่สุดมันก็ของเก่านั่นแหละรูปร่างอันเก่านั้นแม้ใครจะประดับประดาตกแต่งยังไงอะจะรูปไล่ยังไงก็ตามแหล่มันก็ ปรากฏว่าสวยงามแต่เวลาตกแต่งนั่นแหละแันเมื่อหยุดตกแต่งไปแล้วมันก็ของเก่ามันสำลุดทรุดโทมอยู่อย่างไรมันกบทรุดโทมอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่ามนุษย์เรามนันหลงเนี่ยว่าอันนี้หละบุสแสดงให้เห็นแล้วว่าบุคคลไม่มีบารมีไม่มีบุญบารมีเป็นกำลังใจ จึงได้ตกเป็นทาตุของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนั้นแล้วชาติแล้วก็ชาติเล่าเกิดมาชาติใดก็มาตกเป็นทาตุแห่งตัณหาอยู่นั่นแหละอันที่จะได้สร้างบุญบารมีนะมีน้อยเต็มทีไม่ไม่ได้สร้างบุญบารมีให้มากเท่าที่ควรนะบุคคลผู้ที่ตกอยู่เป็นทาตแห่งกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราสเสวงหาที่พึง่ง <c oughs> ดังพระพุทธภาษิต ท, ทรงตัดไว้ว่าสนาถะพิกเววิหาระะมาอนาธา <c oughs> ดุขั่งอนาโทวิหารติ <c oughs> ดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งจงอยู่มีที่พึ่งอย่าอยู่ไม่มีที่พึ่ง mm hmm. บุคคลผู้อยู่ไม่มีที่พึ่งย่อมเป็นทุกข์ดังนี้ mm hmm. ตามพระพุทธภาษิตนี้มีความหมายว่าพระองค์ทรงให้ สั่งสมบุญสั่งสมคุณให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าบุญคุณนี่เป็นที่พึ่งอำนวยความสุขความสงบให้แก่จิตใจได้จริงๆคำว่าเป็นที่พึ่งหมายก็ว่าทำใจให้สงบให้เยือกเย็นสบายได้นั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่ง นันสิ่งใดที่มาทําใจให้เศร้าหมองให้เดือดร้อนนั่นใครล่าละจะว่าเป็นที่พึ่งนั่นนะเป็นเป็นสิ่งที่มาทําลายเนี่ยออนั่นต้องเข้าใจเป็นสิ่งที่มาทําลายจิตใจให้หายจากความสุขความสบายกลายเป็นความทุกข์ความร้อนไปออย่างนี้อ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ให้พึ่งพาการสร้างที่พึ่งที่อาศัยให้แก่จิตใจของตนให้ได้ต้องพยายามไม่ได้อะไรก็ขอให้ได้ทำใจให้สงบลงไปนี่ก็พอแล้วนะเราไม่ต้องเอาอะไรหรอกโลกอันนี้นะเพียงแต่ขออาศัยไปชั่วระยะชีวิตยังเป็นไปอยู่นี่เท่านั้นก็พอแล้วอาศัยทำความเพียรเพื่อให้ใจนี่สงบนะ เอาจำกัดลงไปอย่างนี้แหละเราทำการงานอะไรก็ช่างนะทำไปเพื่อให้ทำไปเพื่อให้มันจบมันสิ้นลงเพื่อทาไปเพื่อไม่เพื่อจะไม่ให้มันได้ทำต่อไปอีกก็ให้มุ่งลงอย่างนั้นเช่นอย่างว่าทำนาะทาสวน ทำการค้าการขายก็ดีเราทำไปแล้วได้สั่งสมปัจจัยเหล่านั้นมาแล้วเราได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นไหวพระนั่งสมาธิภาวนาเอาทำใจให้สงบใช้ปัญญาสอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ทงห้าอันนี้ให้ปล่อยให้วางสิ่งนอก ออกจากขันห้านี้ออกไปก็ถอนให้มันปล่อยมันวางอย่าให้มันหลงยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา <c oughs> ถ้าผูใ้ใดตั้งใจไว้อย่างว่านี่มันก็เป็นไปได้จริงๆเวทเรืองมันนะเพราะเรามุงความสงบใจเนี่ยเป็นที่ตั้งนะทาอะไรก็เพื่อให้ ใจได้ถึงความสงบอย่างว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้เอามันจำเป็นต้องหาปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงครอบครัวถ้าขาดปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นแล้วครอบครัวก็เดือดร้อนหาความสงบไม่ได้ก็จำเป็นต้องลงทุนลงแรงนะทั้งกําลังกายกําลังความคิดปัญญา ทั้งกำลังทรัพย์ <c oughs> ผู้เป็นพ่อค้าก็ต้องมีทรัพย์เป็นทุนลงทุนค้าซื้อสิ่งของขายเอากำไรพอสมมาสมควรผู้ทำนาทำสวนก็ต้องสละกำลังกายออกไปทำการงานหนักเอาเบาสู้กำฝนทนแดด <c oughs> อแล้วนอกจากนั้นก็ต้องได้สละเงินทองลงทุนซื้อปุ๋ยซื้ออุปกรณ์การทําสวนทํานามาอย่างนี้เนะี่ยมันก็จงได้มากได้ผลทำไมลงทุนอย่างนี้เนะมันเอาอะไรจะมาได้รับผลละ่ะอทํานาก็เมื่อไม่ทํามันก็ไม่ได้เข้าอย่างเนี้ยสวนเมื่อไม่ทําก็ไม่ได้บริโภคผลไม้ เนี่ยเมื่อเราผูใ้ใดมีหน้าที่ยังไงถ น, นัดในความรู้อย่างไรแล้วก็ลงมือทาการงานอันนั้นไปแต่มุ่งว่าทำเพื่อจะไม่ได้ทำต่อไปอีกอันนี้นะคิดไว้เสมอแหละ <c oughs> เอาทำไมถึงว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นที่มันมีความหมายเหมือนกันใะคาพูดนี่นะเมื่อเราทำ การนำงานได้เงินทองเข้าของมาแล้วมาบำรุงครอบครัวมันก็ไม่เดือดร้อนล้วันนี้นะในว่าสงบจากความเดือดร้อนจากความหอยหิวจากความขาดแคลนเมื่อได้ปดได้อาศัยปัจจัยภายนอกนั้นแล้วมันก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ทำบุญได้ให้ทานได้ฟังธรรม ได้จำสินห้าสินอุโบสถได้ไหวพระได้นั่งสมาธิภาวนามไม่จิตใจก็ไม่ได้กังวลในเบื้องหลังมากนะักเพราะอะไรก็มีพอได้อยู่ได้อาศัยอย่างนี้แหละเมืม่อบุคคลได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นโดยอาศัยปัจจัยสี่นั่นแหละ เราได้สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับแล้วเมื่อบุญกุศลเต็มเปี่ยมแล้วนี่มันก็ไม่ได้ทํางานอย่างว่านั่นต่อไปอีกอก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปเสียแล้วก็ไม่ต้องไปกรำพ้นทนแดดไม่ต้องหลังสู้ฝ้าหน้าสู้ดินอไม่ต้องไปโอทโควรนว่ามันสมหวังละผิดหวัง อะไรต่ออะไระเป็นอันว่าจบกันลงเลยนี่เรียกว่าเราตั้งใจทำงานเพื่อไม่ให้มันได้ทำต่อไปอีกนั่นมีความหมายอย่างนี้เรื่องมันนะหรือถ้าจะว่าไม่ถึงขั้นนั้นก็เราทำงานอยู่ในโลกอันนี้ได้ปัจจัยทั้งสี่อันนี้มาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้าง ถ้าไปนอกจากนี้ล้วก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจคิดงดเว้นจากกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายทำอย่างไรมันจะงดเว้นจากกรรมอันชั่วได้ก็ทำลงไปอ่ะอันนี้เรียกว่าทำอ่ะถ้าว่าไม่คิดไม่ทำไม่คิดงดเว้นมันก็ไม่ได้เว้นอันบาปกรรมชั่วนั่นนะมันอยู่ที่ใจของคนเรานี่นะหาทางคิดงดเว้นนะ มันก็ถึงเว้นได้ถ้าใจไม่อยากเว้นแล้วมันจะเว้นได้อย่างไรอ่ะนี่แหละการสอนใจตัวเองให้งดเว้นจากกรรมอันชั่วทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าทำงานเราทำงานทางใจอันนี้เนี่ยไม่ใช่อื่นใดอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ทำงานทางใจนะทำงานแบบนี้เน่ยทำอยู่ใจทำงานคิดอตคิดแต่มันคิด ไปในทางอื่นนู่นไม่ได้คิดว่าจะละกรรมมันชั่วตนยังทำกรรมชั่วใดอยู่ก็ยังไม่คิดละมันอย่างนี้นะก็ชื่อว่าผู้ไม่ทำงานแหละทีนี้เมื่อไม่ไม่ทำงานอย่างว่านี่มันก็มันก็ต้องได้ทำงานเรื่อยไปไม่หยุดยัง้งอะไวแบบนี้นะเอาทำยังไงลนะ่ะ เอา้ามันก็ต้องเดินลงไปกระโดดลงสู่มอสนรกนู่นเลยสะสมบาปกรรมชั่วไวมากๆนะมันก็ไปร้องครวญคางอยู่ในนรกเนี่ยนั่นนหะเรียก ว, ว่าต้องได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องทุกข์เรื่องความทุกข์ความทุกข์ทนทรมานอันนั้นมันก็เรียก ว, ว่างานอันนึงแหลยงานของสัตว์นรกได้แก่การเจ็บปวด กวนกว歪ทั้งร้อนอดิ้นลนกระเสือกกระสนเพื่อจะหนีจากนรกนั้นนั่นเรียกว่างานของสัตว์นรก อ, ะอ่ะนี่แหละเรียกว่าบุคคลผู้ไม่ทํางานหมายถึงว่าไม่ทําความดีมันก็ต้องได้ทําความชั่วมันต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปนานแสนนา น, านอันนี้เราเรียกว่า เมื่อไม่ทำความดีแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้ทำความชั่วมาว่าได้เสวยทุกข์ทนทรมานร้องให้ดำไรคล่าควรไปอยู่ในสงสารอันนี้ไม่รู้จกจบจากสิ้นนะคนเกลียดค้านทำความดีนะลองคิดดอูอย่าไปเข้าใจว่าอยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่ต้องทำความดีแล้วมันก็สบายไปเลย นั่นเข้าใจผิดเหลือเกินนะมันจะสบายได้ยังไงในเมื่อชีวิตนี้นะมันเต็มไปด้วยข้าถึกคือกิเลสปาประธรรมอะเมกหมมอยู่ในมาหลายชาติหลายภพแล้วนะที่ล่วงแล้วมาชาตินั่นก็สะสมไว้บ้างชาตินี้ก็สะสมไว้บ้างอย่างนี้นะสะสมกิเลสปาประธรรม เมื่อมันเป็นเช่นนี้แนละ้วมันก็ชีวิตนี้มันจะเป็นอิสระได้ยังไงเล่าอิทธิพลของบาปกิเลสบา ป, ปรธรรมอะ่ะมันครอบงามันฉุดค้าไปสู่ทุกข์มันให้ไปทําในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษตัวตัวเองตกอยู่ภายใต้อํานาจของบาปรธรรมแล้วบาปรธรรมนะั้นมันก็บังคับให้ไปทําชั่วแล้ว นสายของใครของมันนี่นั่นเนยจะไปเข้าใจว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็มันก็บริสุทธิ์ไปเองหรอกกายวาจาใจนี่อย่างนี้นั่นเข้าใจผิดท่านเรียกว่าอ อ, อกกิริยทิฏฐิ ม, มีความเห็นว่าไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธิ์ไปเองมันหรอกนานไปนานไปมันหักบริสุทธิ์ไปเองมัน อันนี้แ่ะท่านเนี่ยวอาอกิริยาทิฏฐินะความเห็นว่าไม่ไม่ต้องทำอะไรมันก็บริสุทธ์เองมันน่ะนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจผิดอย่างนั้นต้องทำมอ้ยนี่แหละเราอดเราทนสู้กับอำนาจของกิเลสตัณหาไปกิเลสตัณหาอันในมันจะจูงให้ไปกระทำความชั่วเราไม่เอา อย่างนี้แหละจึงได้ถือว่าเป็นผู้สะสมบุญบา ร, รมีเมื่อบุญบา ร, รมีเหล่านี้แก่กล้าขึ้นในจิตใจแล้วมันก็ํำจัดกิเลสบาปธรรมออกไปในตัวมันนั่นแหละขอให้ใจมันสงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่ก็แล้วกันนะอย่าไปอื่นใดเลยอย่าไปคิดให้กว้างขวางออกไปให้มากมันคิดไปเท่าไรยิ่งลามไปเท่านั้น ให้จำกัดลงว่าเราจักพยายามทำในสิ่งที่เมื่อทำลงไปแล้วให้เกิดความสงบเนี่ยสรุปใจความแล้วดังที่พูดมาแต่ตอนต้นผนู้คลองเรือนเมื่อสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาโดยทางที่ชอบได้ก็ทำให้ครอบครัวสงบเดือดร้อนปัชจากความมีหยแล้วบุคคลเมื่อมา ให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาไปอย่างนี้มันก็ขจัดความโลภโกรธหลงเดี๋ยวนี้ออกจากกิจใจไปก็ทำใจให้สงบไปโดยลำดับลำดับไปนี่ดังแสดงมา